รระไรปิฎกะบับประชาชนเล่มที่23สุตันตปิฎกอังคุตรนิกายสัตตกะอัฏฐกะนวกะนิบาทพระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าด้วยชุมนุมธรรมะจำนวนเจแปและ9รวมทั้งเล่มมีพระสูตรประมาณ300สูตรต่อไปนี้จะย่อตามลำดับจำนวนคือเริ่มแต่ชุมนุมธรรมะจำนวนเจ็เป็นต้นไป สัตกานิบาตชุมนุมธรรมะที่มีเจดข้อในหมวดนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกจัดเป็นหมวดห้าสิบส่วนที่สองจัดเป็นหมวดนอกห้าสิบทั้งหมดด้วยกันมีประมาณ80สสูตรเศษปัร น, นาสกะหมวดห้าสิบวรที่หนึ่งธนวัตรว่าด้วยรัพ์ ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะเจ็อย่างย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและยกย่องของเพื่อนพรมจารีคือใครจะได้ลาบใครจะได้สักการะใครจะไม่ให้ใครดูหมินไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปปราถนาลามกและเห็นผิดอีกในหนึ่งคือเปลี่ยนเฉพาะข้อ6และเจด เป็นฤิศยาและตรณีสําหรับฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสแสดงกําลังเจ็อย่างคือความเชื่อความเอียนความละอายความเกรงกลัวต่อบาปความระลึกได้ความตั้งใจมั่นและปัญญาตรัสแสดงทรัพย์เจ็ดอย่างคือความเชื่อ ศีลความละอายความเกรงกลัวต่อบาปการสดับตรับฟังการสลับและปัญญาตรัสกับราชมหาอามาตชื่ออุคคะว่าทรัพย์ทั้งโลกเป็นของสาธารณะแก่ไปแก่น้ำเป็นต้นส่วนทรัพเจ็ดอย่างข้างต้นไม่เป็นของสาธารณะแก่ไปแก่น้ำเป็นต้นหม่เหตุผู้อ่าน น่าจะหมายถึงทรัพย์ทั้งโลกถูกทำลายได้ด้วยไฟยและน้ำเป็นต้นส่วนคุณความดีคุณธรรมต่างๆไม่สามารถถูกทำลายได้ตรัสแสดงสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดหรือผูกมัดเจ็ดอย่างได้แก่อนุญญะความพอใจในกามปฏิฆะความขัดใจทิฏฐิความเห็น วิจิกิจฉาความสงสัยมานะความถือตัวภวราคะความกำหนัดยินดีหรือความติดในภพหรือความมีความเป็นอวิชชาความไม่รู้อริยสัจสีตรัสแสดงว่าพรหมจันทร์อันบุคคลประพฤติเพื่อละสังโยชนเจ็ 7, และตรัสแสดงสังโยชนเจ็ดอีกในหนึ่งเปลี่ยนเฉพาะข้อ6กับเจ ในเนื้อความก่อนเป็นความริษยาและความตรณีวักที่สองอนุสยววักว่าด้วยอนุสัยคือกิเลสที่แฝงตัวหรือที่นอนเนื่องในสันดานตรัสแสดงอนุสเจ็ประการอย่างเดียวกับสังโยชน์เจ็มีความพอใจในกามคือกามราคะ เป็นข้อแรกมีอวิชชาเป็นข้อสุดท้ายแล้วตรัสแสดงว่าพรมจันท ร, ร์อันบุคคลประพฤตเพื่อรักอนุัสเจ็ดตรัสแสดงว่าตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เจ็ดไม่กวนเข้าไปเข้าไปแล้วไม่กวนนั่งคือหนึ่งไม่ต้อนรับ 2. ไม่อภิวาทสา ไม่ให้อาสนาด้วยอาการที่น่าพอใจ 4. ปกปิดของที่มีอยู่ 5. ให้น้อยในของมาก 6. ให้ของเศร้าหมองใบประนีต 7. ให้โดยไม่เคารพส่วนฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสแสดงบุคคล7ประเภทที่ควรของคำนับ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคืออุพโตภาควิมุตผู้พ้นโดยส่วนทั้งสองเป็นต้นตรัสแสดงบุคคลเปรียบด้วยน้ำเจ็ดประเภทคือ 1. จมลงไปครั้งเดียวก็จมลงไปเลยได้แก่บุคคลผู้ประกอบด้วยอากุศลลธรรมฝ่ายดำล้วน 2. โผล่ขึ้นแล้วจมได้แก่บุคคลผู้มีคุณธรรม แต่คุณธรรมเสื่อมไป 3. โผล่ขึ้นแล้วลอยอยู่ได้ได้แก่ผู้มีคุณธรรมไม่เสื่อม 4. โผล่ขึ้นแล้วเห็นแจมแจ้งเหลียวดูได้แก่พระโสดาบันหโผล่ขึ้นแล้วไหว้เข้าหาปังได้แก่พระสะกทาคามี 6. โผล่ขึ้นแล้วไปถึงที่ตื่น ได้แก่พระอนาคามี 7. เจ็ดโผล่ขึ้นแล้วข้ามฝั่งได้ยืนอยู่บนบกได้แก่พระอระหันต์ผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะตรัสแสดงบุคคลเจ็ดประเภทว่าควรแก่ของคำนับเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคือหนึ่ง ผู้เห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงทำให้แจ้งวิมุตต์ทั้งสองอันไม่มีอาสวะ 2. ผู้เห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงสิ้นอาสวะและสิ้นชีวิตพร้อมกัน 3. เห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเป็นพระอนาคามีอันตราปริณิพายี 4. อุปรหจัปปริณิพายีห สัังขาระเบรินิพายี 6. กสัสังขาระเบรินิพายีเจ็ดอุธทธังโสโตโอากานิทคามีตรัสแสดงบุคคลเจ็ดประเภทว่าควรแก่ของคำนับเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอย่างเดียวกับขั้งต้นแต่ว่ากำหนดว่าเป็นผู้เห็นว่าเป็นทุกข์ในสังขารทั้งปวงเห็นว่าไม่ใช่ตนในธรรมะทั้งปวง เห็นว่าสุขในพระนิพพานส่วนลำดับข้อสถึงข้อ7ซ้ำกันตรัสแสดงนิทศาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการที่จะไม่มีอายุสิบปีต่อไปอีกโดยอธิบายว่าจะไม่เกิดอีกนิทศาวัตถุเจ็ดประการคือภิกษุเป็นผู้มีฉันทะหรือความพอใจแรงกล้าในการสมทานสิกขาบท และมีความรักอันยิ่งในการสมทานสิกขาบทต่อไปในการพิจารณาธรรมในการนำความปรารถนาออกในการหลีกเล้นในการปรารบความเอียนในสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนในการแทงทะลุความเห็นคือตรัสรู้ด้วยมรรคและมีความรักอันยิ่งในการนั้นๆต่อไป วักที่สามวัชีวักว่าด้วยเหตุการณ์ในแคว้นวัชีพระผู้มีพระภาคประทับนาสารันทะเจดีใกล้กรุงเวสาลีตรัสแสดงอปริหานิยธรรมคือธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเจ็ดอย่างแก่เจ้าลิชวีคือชาววัชีหนึ่งจากประชุมกันเนืองนิดสอง จะพร้อมเปลียงกันประชุมเลิกประชุมและกระทํากิจที่ควรทํามจะไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติจะไม่ตัดรอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วยอมรับศึกษาในธรรมะของชาววัชีตามที่บัญญัติไว้แล้วสี่จะเคารพนับถือชาววัชีที่เป็นผู้ใหญ่ผู้เท่าห จากไม่ก่มเหงล่วงเกินสตรีที่มีสามีแล้วและสตรีสาว 6. จากสการะเคารพเจดีย์ของชาววัชี 7. จัจกจัดแจงให้การอารักขาคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหรันและปรารภให้พระอรหันที่ยังไม่มาได้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข ตรัสแสดงอปริหานิยธรรมของชาววัชชีเจ็ข้อนี้แก่วัสการพรามมหาอมาตของแคว้นมคตตรัสแสดงอาริหานิยธรรมคือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมของภิกษุเจ็ดประการคือ 1. จากประชุมกันเนืองนิด 2. จากพร้อมเพรียงกันประชุมเป็นต้น 3. จกไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติเป็นต้น 4. จะเคารพนับถือภิกษุที่เป็นผู้ใหญ่ผู้เท่า 5. จาจะไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6. จะยินดีในเสนาสนะปา่า 7. จจะตั้งความปรารถนาดีในภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักให้มาที่มาแล้วให้อยู่เป็นสุข แล้วทรงแสดงอปริหานิยธรรมของภิกษุโดยในอื่นอีกหลายในตลอดจนได้ตรัสถึงธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมของภิกษุผู้เป็นเศคารคล้ายกับธรรมะในหมวดหกับตรัสถึงธรรมะเจอย่างที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมความวิบัติของอุบาสกคือไม่ค่อยได้เห็นภิกษุประมาทการฟังธรรมะไม่ศึกษาในอธิศี มากไปด้วยความไม่เลื่อมใสในภิกษุที่เป็นเทระบวชใหม่ปูนกลางฟังธรรมะด้วยจิตคิดจับผิดแสวงหาทักษิณเนยยะบุคคลนอกพระพุทธศาสนาทำการอันควรทำก่อนให้ทักษิเนยะบุคคลนอกพระพุทธศาสนานั้นส่วนฝ่ายดีทรงแสดงโดยในตรงกันข้าม วรที่สเทวตาวรคว่าด้วยเทวดาตรัสแสดงคาวราวะคือความเคารพเจ็ดอย่างตามที่เทวดามากราบทูลว่าเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งภิกษุคือความเคารพในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาในสมาธิในความไม่ประมาทในการต้อนรับ แล้วตรัสแสดงถึงธรรมะเจ็ดประการที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมของภิกษุคืคอหข้อแรกพ้องกันกันกบคาระวะที่แสดงมาแล้วเปลี่ยนแต่ข้อ6และ7คือเคารพในความละอายในความเกรงกลัวต่อ บ, บาปอีกในหนึ่งเปลี่ยนเฉพาะข้อ6และ7อีกคือว่าง่ายคบคนดีเป็นมิตร พระสารีบุตรกราบทูลขยายความตามความเข้าใจของท่านเช่นเดียวกับเนื้อหาในเล่มก่อนตรัสประธานสาทุกการตรัสว่ามิตรประกอบด้วยองค์เจ็ดควรครบคือให้สิ่งที่ให้ยากทำสิ่งที่ทำยากอดทนสิ่งที่ทนยากเปิดเผยความลับแก่เพื่อนปกปิดความลับของเพื่อนไม่ละทิ้งในยามีอันตราย ไม่ดูหมิ่นเพื่อนเพราะสินทรัพย์ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยองค์เจ็ดควครคบเป็นมิตรแม้จะถูกขีดกันให้ออกห่างคือเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นที่สันเสริญเป็นผู้ว่ากล่าวเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้กล่าวถ้อยคาอันลึกซึ้งในทางธรรมะไม่ชักชวนในฐานะอันไม่สมควร ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างจะทำให้แจ้งปฏิสัมพิทาคือความแตกฉานโดยการไม่นานข้อ1ถึงสคือรู้ตามความจริงว่าจิตท้อแท้จิตอดอูจิตปุ้งส้านข้อ4ถึงหเวทนาสัญญาความตรึกของเธอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันเธอรู้แจ้งแล้วและข้อเจ็ เธอถือเอาด้วยดีใส่ใจด้วยดีทรงจำดีใช้ปัญญาแทงทะลุด้วยดีซึ่งนิมิตในธรรมะอันเป็นที่สบายและไม่เป็นที่สบายดีกับเลวดำกับขาวและมีส่วนเปรียบตรัสสรรเสริญพระสาริบุตว่ามีคุณธรรมที่กล่าวมาทั้งเจข้อตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยองค์เจ็ดย่อมทาจิตไวในอานาจได้ ไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตคือฉลาดในสมาธิในการเข้าในการตั้งอยู่ในการออกในความสมควรแก่การในโพจรคืออารมณ์และในอภินิหารของสมาธิตรัสสรรเสริญพระสาวริบุตรว่ามีกุณธรรมทั้งเจ็ดข้อที่กล่าวมา นักบวชศาสนาอื่นสนทนากันว่าผู้ประพฤติปรมจจันทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดสิบสองปีย่อมเป็นผู้ควรแก่ถ้อยคำว่าภิกษุผู้ไม่มีสิบในที่นี้หมายถึงต้องเวียนว่ายตายเกิดมาให้ถูกนับอายุอีกพระสารีบุตรนำความมากราบทูลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุที่จะชื่อว่านิทธศก์คือผู้ไม่มีสิบ ในพระธรรมวินัยนี้ไม่ใช่ด้วยการนับพรรษาแต่ด้วยคุณธรรมแล้วตรัสแสดงนิทสะวัตถุเจประการดังที่ตรัสไว้แล้วในวรรคที่สองตรัสแสดงนิทสะวัตถุอีกเจ็ดประการแก่พระอานนท์ผู้เด็ปังนักบวชศาสนาอื่นพูดกันทำนองเดียวกับพระสารีบุตรเป็นแต่เปลี่ยนแสดงคุณธรรมคือมีศรัทธา มีความละอายมีความเกรงกลัวต่อ บ, บาปมีการสะดับมากปรารบความเพียรมีสติและมีปัญญาวักที่หมหายันยวักวาด้วยการบูชายันใหญ่ตรัสแสดงที่ตั้งแห่งวิญญาณ คือวิญญาณนิทิิ7เจ็ดอย่างคือหนึ่งสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่มนุษย์เทพบางจาพวกเปรศบางจาพวก2สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกพรหมที่เกิดด้วยปฐมฌาน 3. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกัน ได้แก่เทพพวกอภัสรภลมสสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกสุภกินนาหะลม 5. สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ6สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ7สัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงอากินจัญญายตนะ ตรัสแสดงธรรมะที่เป็นบริฐานคือเครื่องประกอบของสมาธิเจอย่างมีความเห็นชอบเป็นต้นมีความระลึกชอบเป็นที่สุดตรัสแสดงไปเจ็อย่างคือราคะโทสะโมหะผู้ควรของคำนับคราะหะบดีคือบุคคลในครอบครัวผู้ควรทักคินาหรือของถวายและไปอันเกิดจากไม้ ตรัสสอนอุคตะสรีระพราหมณ์ผู้เตรียมบูชายันนำสัตว์ต่างๆอย่างละห้าร้อยกูดกับเสาเตรียมเพื่อจัดฆ่าโดยทรงชี้แจงว่าการบูชายันแบบนี้ได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญเพราะเป็นการยกสัตว์ราขึ้นทางกายวาจาและใจแล้วตรัสว่าควรละไปสามอย่างไม่ควรเสพคือราคะโทสะ โมหะและควรสักการะเคารพไฟหนึ่งอย่างคืออาหุเนยยักขีไฟคือผู้ควรของคำนับได้แก่มารดาบิดาขหะปฏิตาคิไฟคือคฤหะบดีได้แก่บุตรภริยาธาตุขนใช้ทักกินเนยะยะักขไฟคือผู้ควรแก่ทักกินาได้แก่สมณพราหมณ์ ผูเว้นจากความประมาทตั้งอยู่ในขันติหรือความอดทนโสรจัจับคือความสงบเสงี่ยมฝึกตนทำตนให้สม่ำเสมอทำตนให้ปรินิพานส่วนไฟที่เกิดจากไม้ควรก่อให้ติดควรวางเฉยควรดับควรเก็บไว้ตามการอันสมควรพรามก็เลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสก ล่อยสัตว์เหล่านั้นไปตรัสแสดงสัญญาคือความกําหนดหมายเจ็ดประการว่ามีอมะตะเป็นที่สุดคืออสุภาสัญญาความกําหนดหมายว่าไม่งามบรณะสัญญาความกําหนดหมายในความตายอาหาเรปฏิกูลสัญญาความกําหนดหมายว่าน่าเกลียดในอาหาร สัพพโลเกอนาพิรตะสัญญาความกําหนดหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงอานิจจสัญญาความกําหนดหมายว่าไม่เที่ยงอานิจเจทุก ข, ขสัญญาความกําหนดหมายว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกเขอนาตะสัญญาความกําหนดหมายว่าไม่ใช่ตนในสิ่งที่เป็นทุกข์ ครันแล้วตรัสอธิบายรายละเอียดในเรื่องนี้ตรัสกชานุสสะโิปรามถึงเมตุนสัญโยคคือความเกี่ยวข้องกับธรรมะของคนคู่เจ็ดประการคือสมณะก็ดีพรามก็ดีบางคนปฏิญญาตนว่าเป็นพรมจารีจริงๆหาได้เศษเมตุนกับมาตุคามไม่ แต่ยังยินดีปลื้มใจชื่นใจด้วยเมถุนสัญโยคคือความเกี่ยวข้องกับเมถุนเจ็ดอย่างคือหนึ่งยินดีการลูบไล้การประครบการให้อาบน้ำการนวดแห่งมาตุคามปลื้มใจด้วยการบำเรอนั้น 2. ไม่ถึงอย่างนั้นแต่ซิกซีเล่นหัวสัพย่อกกับมาตุคามปลื้มใจด้วยการเสส่วนนั้น 3. ไม่ถึงอย่างนั้นแต่เพ่งจ้องดูจักสุ ข, ของมาตุคามด้วยจักสุ ข, ของตนปลืมใจด้วยการเลงแลนั้น 4. ไม่ถึงอย่างนั้นแต่ฟังเสียงมาตุคามหัวเราะหรือพูดกับขับร้องเป็นต้นปลืมใจด้วยเสียงนั้น 5. ไม่ถึงอย่างนั้นแต่นึกย้อนไปถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเราะพูดเล่นกับมาตุคามแล้ปลืมใจ หกไม่ถึงอย่างนั้นแต่เห็นข้ารืหาบดีหรือบุตรแห่งข้าเรืหบดีผู้เอิบอิม่มพรังพร้อมด้วยการมาคุณห้าลับลื้มใจ 7. ไม่ถึงอย่างนั้นแต่ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้เป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งแล้วปลื้มใจพรหมจรรย์ของผู้นั้นชื่อว่าขาดทะลุดางร้อย ผูนั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ตรัสแสดงธรรมปริยายที่ชื่อว่าสัญโยคะวิสัญโยคะคือความผูกพันและความคลี่คลายคือสตรีพอใจภาวะต่างๆของสตรีและบุรุษย่อมไม่กล้าล่วงความเป็นสตรีได้บุรุษ พอใจภาวะต่างๆของบุรุษและสตรีหมายถึงพอใจในภาวะของตนติดอกติดใจในเพศตรงกันข้ามย่อมไม่ก้าวล่วงความเป็นบุรุษได้ต่อตรงกันข้ามคือไม่พอใจจึงก้าวล่วงภาวะทั้งสองได้สำหรับธรรมะเรื่องนี้มีเนื้อความไม่พลาดพิงถึงเรื่องราวเจ็ดข้อแต่พยัญชนะพลาดพิงถึง โดยแจกภาวะต่างๆของหญิงชายออกไปฝ่ายละเจ็ดคืออินทรียาอาการประเภทความพอใจเสียงและเครื่องประดับของสตรีหรือบุรุษตรัสตอบพระสาวรีบุตรถึงเหตุที่ทานของบางคนมีผลมากแต่ไม่มีอานิสง์มากส่วนของบางคน มีทั้งผลมากทั้งอานิสงมากโดยตรัสชี้ไปที่การให้ทานด้วยมีการเพ่งเลงมีจิตปฏิพัทธ์มุ่งสะสมคิดว่าตายแล้วจะบริโภคผลของทานนั้นเป็นเหตุให้มีผลน้อยอานิสงน้อยส่วนทางตรงกันข้ามที่ให้ผลมากมีอนิสงมาก อุบาสิกาชื่อเวลุ ก, กันตะกีผู้เป็นมารดาของนันทมานพปราบเรียนพระสาวรีบุตรถึงเรื่องน่าอัศจรรย์เจ็ดประการคือ 1. น, นางสนทนากับท้าวเวสสุวรรณ 2. พระราชาคมเหงฆ่าบุตรของนางตายแต่นางไม่มีจิตผิดปกติ 3. ส, สามีตายไปเกิดในกำเนิดยักษ์มาแสดงตนด้วยอัตภาพเดิม นางไม่มีจิตผิดปกติ 4. สามีเมื่อมีชีวิตอยู่ยังหนุ่มนำหญิงสาวมาเป็นภริยาน้อยนางไม่มีจิตผิดปกติ 5. ตั้งแต่ปฏิญญาตนเป็นอุบาสิกาไม่เคยมีจิตคิดล่วงศิขาบท 6. เข้าฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สได้ตามปรารถนา 7. จัดละสังโยชน คือกิเลสเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำห้าอย่างได้